ถ้าจเจริญธรรมะคุณธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆเนี่ยที่ที่มุ่งเลยจริงๆเนี่ยคืออริยธรรมหมายถึงโลกุตรธรรมตรงเนี้ยอะไรนี่ชื่อหนึ่งเรียกว่าอริยธรรมโลกุตระธรรมเนี่ยนะหรือมรรคผลนิพพาน เพราะว่าธรรมะที่นี่ประสงค์เอาธรรมะเป็นที่ดับทุกขเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคือขอนอบน้อมแด่ทุกข์คณิโรธทุกขะนิโร ธ, โรธามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นทุกข์ไม่ต้องไปนอบน้อมมันหรอกเร็วมากไม่เชื่อนะดูตอนปวดหัวเดียวจะรู้สึกนะบางคนบอกว่า ดูตอนไหนบอกดูตอนมันเครียดดูสินอบน้อมมันได้ไหมย้อมมันไหมอย่างเงี้ยไม่ยอ ม, มันนะพังของนอบ น, อบนอบ้อมแด่อั น, นะทุกนิโรธบทเนี้ยเป็นเป็นสับที่อาใช้ได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมขอนอบนอบ้อมแด่รูปนิโรธรูปนิโร ธ, รโรธาคามินีปฏิปทาขอนอบน้อมแต่เวทนานิโรธเวทนานิโรธาคามินีปฏิปทาอันนี้ถ้าจะเจริญธรรมคุณนะระลึกถึงพระธรรม แต่ถ้าเป็นปริยัติธรรมนะปริยัติธรรมเนะี่ยจะคลุมไว้ทั้งสี่สัจจะเพราะปริยัติธรรมเป็นคำสอนที่ชี้บอกว่าทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธทาให้แจ้งมรรคเจริญปริยัติธรรมเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอนอบน้อมเด็กคำสอนที่สอนให้กำหนดรู้ทุก์ให้ละสมุทัยเป็นคาสอนที่ทาให้แจ้งนิโรธเป็นคำสอนที่ ท, า ใ, ท, ทาให้เจริญ อะไรทุกขานิโรธาขามิหนีปฏิปทาอนะเป็นคําสอนที่สอนให้ปฏิบัติสอนให้นําออกจากทุกอันเราก็มาแล้วลึกแบบนี้เพรฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เปิดประตูแห่งพระนิพพานพบขอนอบน้อมแด่พระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันคือผู้เปิดประตูอะไรเปิดประตูรูปนิโรธเวทนานิโรธสัญญานิโรธสังขานิโรธวิญญาณนิโรธหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทุกขนิโรธ ประตูนี้เป็นชื่อของอะไรอันเนี้ยคือประตูเนะข อ, น, อน่อมน้อมแด่พระอริยบุคคลทั้งหลายทั้งอโสดานก็คือเปิดประตูเป็นต้นท่านสามารถเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติแบบแบบนี้ก็ได้เจริญแบบนอมน้อมนะกับเจริญนึกไปเรื่อยอันไหนจะดีกว่ากันผู้การเจริญแบบไหนแบบนึกไปเรื่อยๆหรือเจริญแบบน่อมน้อม อันนเจริญแบบนอบน้อมนะมีความสุขมากเพราะว่าเราเราตั้งพระธรรมตั้งตั้งธรรมะเหล่านั้นไว้ในเป็นที่เคารพยำเกรงเนี่ยนะมันถ้านอบน้อมนะจะตะกอให้เกิดปีติและปราโมทแต่ถ้าใจไม่ค่อยน้อมประกาศได้เลยว่าเจโตขีและทำในตรึงใจเราละจะต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งตรวจสอบดูเลยว่าหนึ่งสงสัยในพระพุทธหรือเปล่าสองสงสัยในพระธรรมหรือเปล่าสาม สงสัยในพระสงฆ์หรือเปล่าสี่สงสัยในศิษค์ขาหรือเปล่าหรือว่าทะเลาะ ก, กับใครอยู่นั่นนะก็รู้ว่าจิตไม่อ่อนแน่นั้นก็เอามามาเจริญมาตรึกอย่างนี้ได้ทีนี้ส่วนที่เรากาลังเรียนถึงคือทุกข์นิโรธตัวทุกข์นิโรธสภาวะของเขาเนี่ยน ะ, ะเนื่องจากมีรูปนิโรธเนื่องจากมีรูปนิโรธ การดับรูปจึงมีเนื่องจากมีเวทนานิโรธการดับเวทนาจึงมีเนื่องจากมีสัญญานิโรธการดับสัญญาจึงมีอ น, นะทุกตัวนี้เนี่ยนะถ้าถ้ามองแบบธรรมดานะทุกกระุนไทยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ร้กาศไม่ใช่จะดับได้ง่ายๆนะมันเป็นเหมือนชนิดที่เรียกว่าอาจารเคยสอนเคยปลูกต้นไม้ประเภทอะยิ่งตัดยิ่งสวยหมย ม, มีใช่ไหม ประเภทนี้นะถ้าไม่รู้วิธีนะยิ่งตัดยิ่งสวยเอาเช่นรักษาอุโบสถเช้ามากินมากกว่าเดิม <c oughs> ยิ่งตัดยิ่งสวย่าง น, นี้อันนั้นสรุปว่าเอา้ามาดูว่าพวกนี้เป็นสายวัตตะนะวัตตะพวกนี้ไม่ใช่จะดับได้ง่ายๆหรอกเนย เพราะฉะนั้นเมื่อวัตตะเหล่านี้มีนิพพานเป็นที่ดับวัตตะเหล่านี้จึงมีนะเพราะฉะนั้นรูปนิโรธเป็นที่ดับรูปเวทนานิโรธเป็นที่ดับเวทนาสัญญานิโรธเป็นที่ดับสัญญาสังขา น, านิโรธเป็นที่ดับสังขานวิญญาณ น, นิโรธเป็นที่ดับวิญญาณ เมื่อนิโรธมีการดับทุกขจึงมีนะถ้าไม่มีนิโรธการถอนฉันทราคะมีไม่ได้ถ้ายังเห็นว่าทุกดีอยู่ก็ดับทุกขไม่ได้แต่เมื่อเห็นว่านิโรธดีมีอยู่แทงตลอดประจักษ์สภาวะของนิโรธความดับทุกขทั้งหลายเหล่านี้จึงมีมันก็เจริญไ้เลยนะเจริญธรรมานุสติหรือ ทุกขานิโรธาคามิหนีปฏิพทาและเลึกถึงเนี่ยถ้าใครละเลึกถึงคุณของพระนิพพานนะพระนิพพานสงบจากรูปสงบจากเวทนาสงบจากสัญญาสงบจากสังขารสงบจากวิญญาณมันมีปัญหาโยคอ่ะหนึงเอ๊สังขารมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้าอย่างนี้จะว่าไงกันนี้สังขารมันเป็นยังไงเนาะนะ ก็เลยไม่รู้จะดับมันยังไงนะไอ้สังขารก็ยังไม่รู้จักอันนี้แหละคือปัญหาแล้วละ่ะแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้เราฟังฟังเอาไว้ก่อนเผื่อจะได้บุญนะถ้าดับตานี่เป็นความดีใช่ไหมสรุปว่านิพานน้สงบจากเป็นเรียกว่าเป็นจักขุนิโรธเป็นโสตุนิโรธเป็นขานะนิโรธเป็นชิวหานิโรธเป็นกายะนิโรธเป็นมโนโมโนิโรธมโนนิโรธ นเป็นอะไรปฐวีนิโรธออาโปนิโรธเตโชนิโรธวายนิโรธอากาศนิโรธและก็วิญญาณนิโรธเนี่ยนะพระนิพพานเป็นที่สงบระงับจากสังขารเหล่านี้ถ้าไม่มีตัวทุกขานิโรธหรือนิพพานนะไม่มีใครดับพวกนี้ได้หรอกเพราะว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อใดมนานัการรูปคือการสร้างรูป คิดถึงรูปในแง่ใดก็ตามนะทุกคนคือขณะนั้นคือการสร้างรูปเมื่อคิดถึงเวทนาคือการสร้างเวทนาเมื่อคิดถึงสัญญาคือการสร้างสัญญาเมื่อคิดถึงสังขารคือการสร้างสังขารเมื่อคิดถึงวิญญาณคือการสร้างวิญญาณเมื่อนึกถึงตาคือเมื่อนึกถึงสีคือการสร้างตานึกถึงรูปนึกถึงเสียงคือการสร้างหูนึกถึงจมูกนึกถึงกลิ่นการสร้างจมูกนึกถึงลิ้นรส สร้างลิ้นนึกถึงโพธพิภพสร้างกายนึกไปเรื่อยสร้างใจนึกถึงปัตวีธาตุสร้างปัตตวีธาตุนึกถึงอาโปธาตุสร้างอาโปธาตุนึกถึงเตโชธาตุสร้างเตโชนึกถึงวาโย ο, สร้างวาโย ο. นึกถึงจิตสร้างจิตเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยเราพวกนี้เป็นที่ตั้งอยู่ของของของขอ ง, ของกรรมวิญญาณเป็นต้นเมื่อเราจะคิดถึงเราจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ ถ้าคิดถึงสิ่งเหล่านี้มาหน้าที่การถึงสิ่งเหล่านี้อยู่คือการสร้างวะตะถ้าไม่แทงตลอดโล ก, กุตระคือ น, นิพพานไม่สามารถที่จะดับเข้าได้หรอกดับเขาไม่ได้จริงๆนะประเภทนี้เป็นประเภทที่เรียกว่ามันอุ้ยมันทนจริงๆเลยนะเพราะทนไม่ทนเราคิดดูสิว่าวัตะเราอยู่กันมานคนละนานเท่าไหร่นะนะเป็นเรียกว่าโอ้ทนมากๆเลยนะ ข้าก็ไม่ตายเป็นกลุ่มที่เหมือนอมตะเลยนี่จุติปฏิสนที่ไม่ไม่มีอะไรระหว่างขั้นนะนั้นเป็นไปยอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพรานการศึกษาพ่านิพา น, านหรือใครที่จะเจริญอุปสมานุสตินึกถึงสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับพวกนี้เอาไว้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆให้มีจิตน้อมบ่อยๆก็ยังอยู่ในกลุ่มอนุสติอยู่ใช่ไมอุปสมานุสติควรนึกหรือไม่ควรนึก คนึกถ้าไม่ควรนึกท่านไม่สอนหรอก น, นะในพระไตรปิฎกไม่สอนให้เราเจริญหรอกทัา น, นมันเจริญระลึกถึงคุณของอุปสมานุสติเอาไว้เถอดนนะแต่อย่างที่กล่าวไปว่าใครที่จะระลึกนึกถึงคุณของนพระนิพพานเนี่ยนะคนนั้นต้องมัน มองเห็นโทษของวัตตะให้มีความรู้สึกว่าพวกวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะอุปขันห้าอายตนะธาตุาเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยนะว่าความสงบสิ่งเหล่านั้นได้เป็นความดีสงบราคะโทสะโมหะได้เป็นความดีสงบชาติชรามมรณะได้เป็นความดีให้เนื้อกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าใจเนี่ยเอนไปอย่างนั้นหลายท่านเนี่ยเห็นด้วยศรัทธาแต่ว่า ใจเอนอย่างนี้บ่อยไหมนนะนี่ที่เราที่ทวงอยู่ตอนนี้นะนึกบ่อยไหมแต่ก็อาจจะนึกบ่อยนะเพราะวันนี้คุณชูศรีเขาสาทยายมักแปดให้ฟังไพรเราะมากนะทั้งบาลีทั้งภาษาไทยแบบพิสดารไพเราะมากนนะนะเลยอนุมโมทนาด้วยนะก็สาทยายอย่างงี้ดีเพราะว่านั่นคือทางแห่งความพ้นทุกข์เนีนะ คือถามว่าเขาสาธยายยังไงบอกสาธยายอย่างที่เราจะเรียนทุกขะนิโรธาคามมนีครั้งต่อๆไปนั่นแหละ น, นั้นก็นับว่าไภเราะมากนั้นทีนี้เมื่อวานที่พูดถึงว่าที่พระองค์ตรัสถึงพระนิพพานมาดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมชาติไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทำไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่สรุปว่านิพพานนี่มีอยู่นะ ยืนยันว่ามีอยู่จริงๆไอ้สภาวะจักขุนิโรธเป็นต้นมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลอกลวงกันขึ้นนะโสตะนิโรธคานานิโรธชิวหานิโรธกายานิโรธโพธภะมโนนิโรธปฐวีนิโรธอาอาโปนิโรธเตโชนิโรธวาโยนิโรธวิญญาณนิโรธมีอยู่นะนะมีอยู่จริงด้วยถ้าหากว่านิโรธอันนี้ไม่มีอยู่จริง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 ไม่ทราบว่าเราเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าโสมนัตตามหรือเปล่าพระพุทธเจ้านี้เปล่งด้วยโสมนัตนะดีใจมากเลยนะีด้วยเปล่งโสมนัตพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจเป็นแต่ดีใจอันนั้นประกอบกับยานที่เรียกว่าสัมปยุทธด้วยยานก็เปล่งอุทานะนะชื่นชมพระนิพพานนี่มีอยู่ทีนี้การทําให้แจ้งพระนิพพานเนี่ยนะซึ่งพระนิพพานนั้นมีอยู่โดยประมัต เพื่อที่จะกําจัดความสงสัยของพวกพิกษุและก็เพื่อหักการมิจฉาวาทะของสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติผิดผู้มีคตินานแน่นในภายนอกทีเดียวเหมือนบุคคลพูดยึดถือโลกว่าเป็นใหญ่ยึดถือยอดโลกเนี่ยนะหรือผู้ถือพรหมโลกเป็นต้นว่าเป็นนิพพานนิพพานแต่ก็เป็นเพียงเรื่องที่พูดกันเท่านั้นะนะจริงไหมล่ะสวรรค์เป็นนิพพานจริงไหล่ะ พรหมโลกคือนิพพานจริงไหมล่ะไม่จริงเนี่ยนะเมื่อไม่จริงล่ะก็เพียงแต่พูดกันเท่านั้นเองอนะนะพระนิพพานนั้นมีอยู่จริงพรานผู้ที่บางกลุ่มถือคติทั้งหลายว่าเป็นนิพพานบางพวกก็ถือมนุษย์นี่แหละว่าเป็นนิพพานบางพวกก็ถือเทวดาบางพวกก็ถือพรหมโลกว่าเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่พระนิพพานนั้นพระองค์ประกาศนิพพานอันนี้เพื่อจะหักหักล้าน ไอ้ทิทฐิอันนั้นนั่นเองพันสภาวะของพะนิพาณเนี่ยนะซึ่งต่างจากสังคตะธรรมมีรูปนามเป็นต้นทีนี้คำอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า ภิกษุทั้งหลายถ้าสังคตะธาตุซึ่งมีสภาวะไม่เกิดเป็นต้นจากไม่ได้มีหรือจักไม่มีพึงมีไซความสลัดออกซึ่งความสงบโดยสิ้นเชิงซึ่งคตะสังคตะกล่าวคือขันห้ามีรูปเป็นต้นซึ่งมีสภาวะเกิดขึ้นเป็นต้นไม่พึงปรากฏคือไม่พึงเกิดไม่พึงมีในโลกจริงอยู่ธรรมะคืออริยมรตมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยนะ อันกระทาพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นย่อมตัดกิเลสได้เด็ดขาดด้วยเหตุนั้นในที่นี้ความไม่เป็นไปปราศจากไปความสลัดออกแห่งวัตฏทุกทั้งสิ้นย่อมปรากฏถ้าไม่มีนิพพานถ้ามรตแ8ดไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะออกจากวัตะไม่ได้นะสลัดออกจากวัตะไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องมีจิตโนมไปในพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นที่ สลัดออกจากวัตถเนี่ยนะทีนี้ลักษณะของพระนิพพานซึ่งเราก็เคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมว่าธรรมะที่อาจไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะภิกษุทั้งหลายอายตนะมันมีอยู่ที่ที่ปฐวีาธาตุไม่มีเลย น, นะก็ในในยุคใหม่ๆเนี่ยนะในยุคหลังๆนิพพานของนอกาศาสนาพุทธ นอกคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาถือว่านิพานมีปฐวีธาติโชธาติอาโปธาติวายุธาติเพราะอะเพราะนิพานมีสีที่สว่างสวัยมีไหมนิพานมีแสงสว่างนิพานมีเพชรมีพลอยมีแก้วมีเวนมีเงินมีทองมีข้าวของเครื่องใช้สมใจปรารถนาหมดเลยนั่นแหละคือนิพานเพราะฉะนั้นเขาก็โชว์อะไร โชมหาพูดว่านั่นคือนิพานเขาถือมหาพูดว่าเป็นนิพานซึ่งจริงและใช่ไหมก็ไม่ใช่บางพวกยึดถือนามมาทำนะนิพานมีแต่สุขอย่างเดียวขายเวทนาขันใช่ั้ยถ้านิพานมีแต่สุขขเวทนาอย่างเดียวก็คือขายเวทนาขันนิพานนะมีจิตที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นจิตชั้นยอดเป็นจิตที่เป็นอัตตาอย่างนี้ก็ขายอะไรก็ขายวิญญาณ เพราะฉะนั้นนิพพานที่ขายขันห้าไม่ใช่นิพพานในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาี่ยนะถ้าบรรลุนิพพานอย่างนั้นจะดีอย่างไรก็ยังมีขันห้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนที่ส่นทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกนั้นถ้าเพลิดเพลินในขันห้ามีรูปเป็นต้นก็คือเพลิดเพลินในในอะไรในทุกขแล้วจะพ้นจากทุกขได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าสังขารทุกทุกสังขารนำมาซึ่งทุกกะทุกนำมาซึ่งวิปริณามทุกนำมาซึ่งสังขารทุกเพราะตัวเขาเองบางอย่างเป็นทุกกะทุกบางอย่างเป็นวิปริณามะทุกบางอย่างเป็นสังขาระทุกแต่ว่าโดยรวมๆก็คือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตและอุปายาสนั่นและ แต่ว่าพระนิพพานนี้เป็นฐานะที่เห็นได้แสนยากเห็นแสนยากแค่เอาจาักขู่มาคิดอย่างยากจะกล่าวปยายถึงคิดถึงจกักขูนิโรธใช่ไหมเออมาคิดถึงความยากนะผมบอกพระนิพพานนี่ยากแต่ยากยังไงก็จกักขูยังเอามาคิดน้อยนะเอามาทำปริญญาสามอย่างยากจะกล่าวปยายถึงแพงตลอดจกักขูนิโรธเถ้าโสตะก็เหมือนกันเนี่ยนะ โสตะไม่เอามาทําปริญญาแล้วจะบรรลุโสตะนิโรธได้ยังไงขานะถ้าไม่เอาขานะมาทําปริญญาแล้วจะบรรลุขานนิโรธได้ยังไงไม่เอาลิ้นมาทําปริญญาแล้วจะบรรลุชิวหานิโรธได้ยังไงถ้าไม่เอากายคือผมขนเล็บฟันหนังผมเอ็นกระดูก ne, เหยื่อในกระดูกมาทําปริญญาแล้วจะบรรลุกายานิโรธได้ยังไงไม่เคยเอาใจมาทําปริญญาแล้วจะบรรลุมโนนิโรธได้ยังไงพระองค์ตรัสถูกต้องว่าเออสาธรรมชาตินี่เห็นยากยากนะ ยากหรือไม่ยากมองเห็นตาปั๊บนึกเลยนะชาติพีทุกขาชาลาพีทุกขาตาใสาๆอย่างนี้แหละนำทุกมาดีนักแลนอย่างนะนี่แหละคือตัวทุกกระทุกสังขารทุก์วิปรินามาทุกอย่างอย่างนนะนึกอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะนึกเลยนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่สงบประงับทุกนั้นจึงเป็นฐานะที่เห็นยากยากไหมคุณนรีอ่านนะโอ้โอไม่ทราบคําตอบ ันสรุปว่าธรรมชาติเหล่านี้นะเป็นคนที่คิดเรื่องสังขารมากๆเป็นผู้ที่ทำปริญญามากๆโดยเฉพาะปะตีระปริญญาหรือปหานะปริญญาที่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอย่างมากจิตจึงจะโอนไปในธรรมชาติที่สงบจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ตามเห็นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่าย จะน้อมใจไปว่าความดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของอะไรสงบเป็นของดีเป็นของปลอดภัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นภัยถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ปลอดภัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมีโทษถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจมีไม่มีโทษเนี่ยนะปราศจากโทษโดยประการทั้งปวง ตาหูจมูกเลนกายใจเป็นอมิตรความดับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้นี่รามิตรจริงๆไม่เป็นเหยื่อของโลกเออของเราเนี่ยทุกครั้งที่ลืมตาก็คือการวางเหยื่อใช่ไหมหรือว่าติดเหยื่อกันแน่วางเหยื่อหรือติดเหยื่อติดเหยื่อนะทั้งวางเหยื่อด้วยติดเหยื่อด้วยนะวางเหยื่อให้ตัวเองนั่นแหละติดต่อไปอีกนะ ก็อย่างนี้แหละไม่น่าอยู่ได้ก็ได้นานะนะตอนเมื่อก่อนนะทำไมจึงทนเฝ้าวัตตะได้ตั้งนมนานขนาดนี้ไม่รู้จักเบื่อจากนายโอ้ตอนนี้เข้าใจขึ้นเยอะแล้วเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็เราจะแสดงอาสังคตาธรรมและปฏิปทาให้สัตว์ถึงอาสังคตาธรรมแก่เธอทั้งหลายอันนี้มีแสดงไว้ในอาสังคตะสังยุตอาสังคตะสังยุต ใครที่จะไปอินเดียนะไปดูนะในเล่มเมืองสาวัตีชื่อว่าอาสังคตะสังยุตสาวัตีเล่มหนึ่งเลยนะนก็พระ อ, องค์นี้แสดงปฏิปทาสาวก้าเล่มสาวกา เพระเาะฉะนั้นอสังขตะและปฏิปทาให้ถึงอสังขตะก็มีอยู่เนี่ยนะก็ปฏิปทาให้ถึงอสังขตะไอย่างที่เราเรียนนี่แหละมีอะไรที่ไหนหรอกสติประธานสี่สัมมัตประธานสีที่บาสีอินทรียห้พละหโพดช่งเจ็อริย ม, มักมีองแปดนี่แหละ กายานุปัสสนาก no si ็ชื evet ่อว่าปฏิปทาเพื่อให้ถึงอสังขตธาตุเวทนานุปัสสนาก็เป็นปฏิปทาเพื<_<_่อให้ถึงอสังขตธาตุจิตานุปัสสนาก็เป็นปฏิปทาให้ถึงอสังขตธาตุธัมมานุปัสสนาก็เป็นปฏิปทาให้ถึงอสังขตธาตุสังวรประธานก็ชื่อว่าปฏิปทาให้ถึงอสังขตธาตุปานนประธานก็ชื่อว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงอสังขตธาตุ ภาวนาประธานก็ช er ื่อว่าปฏิปทาให้ถึงอสังกตธาตุอนุรักษณาประธานในสัมมประธานสี่ก็ชื่อว่าปฏิปทาให้ถึงอสังกตธาตุชั้นทาสมาธิประธานสังขารก็ชื่อว่าปฏิปทาให้ถึงอสังกตธาตุวิริยะจิตตะวิมังสาสมาธิเนี่ยนะสัตทินสีวิริยินสีสตินสีสมาทินสีสัทธาภละวิริยะภะละสติภะละ สมาธิพละปัญญาภละหรือสติสัมโพชฌงเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นปฏิปทาเพื่อให้ถึงอสังขตาธาตุเนี่ยนะซึ่งอุ้ยพระองค์ตรับทางให้ถึงนิพพานเยอะแยะไปหมดเลยนะพูดแล้วก็เศร้าใจว่าเราทำตรงกันข้ามที่พระองค์ว่าไว้หมดเลยนะ เอ้าก็ mm hmm. ก็ดูว่าเราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าว่าหรือไม่เดินมากกับกันเราก็ดูได้เลยใช่ไหมว่าเราทําสิ่งตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเลยไหมอ๋อสมมตินเนี่ยมือลืมตาปั๊บก็เห็นในะรูปประคันเลยแล้วนี่ชาติปีทุขขาชร า, าปีทุกขขายังพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป๊ะเลยนะเราคิดอย่างนี้ไหมตรงกันข้ามหมดเลยนะนี่หน่ามันจะงห่างพันนี่ผ่านแล้วเกินเนี่ยนะนั่ น, นะ มองเห็นพวกกันนึกโอ้ชาติปีตุกขาชราปีทุกขาเลยนะข้างหลังเนี่ยมองเห็นกันหมดเลยพวกกันเนี่ยดูจากข้างหลังแล้ดูจากข้างหน้าอาจจะเกรงใจอ่ะนะไม่กล้าคิดดูจากข้างหลังเนีน่ลองคิดดูเถอะแต่ถ้าไม่คิดละ่ะนั่นแหละไม่ได้ทําตรงกันข้ามที่พระพุทธเจ้าว่าไว้เลยนะแล้วเมื่อไรเนาะจากเห็นอสังขตาธาตุอ่งนั้นจริงๆถ้าไม่นึกเนี่ยมันไม่ได้เดินตามเลยนะก็อย่างว่าแต่ว่า ข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงอสังคตาธาตุเนี่ยนะปุตุชนทั้งหลายฟังแล้วถือว่าเป็นของปฏิกูลเออเออเป็นของปฏิกลูนนะมีความรู้สึกว่าปฏิกูลในความรู้สึกของปุตุชนการพิจารณาขันธาตุอายตนะยังไงก็พ้นขันธาตุอายตนะพ้นชาติชรา ม, มรณะไหมไม่พ้นลองออกจากบ้านพูดถึงเรื่องตายดูสิไพเราะไม่คำนี้ ทั้งๆ ท, ที่การคิดถึงเรื่องตายเป็นต้นเนี่ยเป็นปฏิปทาให้ถึงอสังขตะธาตุแต่พูดเมื่อไหร่นะในเรื่องไม่เชื่อธรรมหลายๆคนดูเถอะเคยพูดหลายครั้งแลว้ว น, นะก็เดือดร้อนทุกทีเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าเป็นปฏิกูลมากในรู้สึกของในสายตาของปุถุชนธรรมชาติของสังขารไหเป็นธรรมชาติที่ตายเป็นยังไงก็ตายวันยังคำ่ำหน่อยแต่ถ้าใครมาชมให้เราอายุยืนพอใจไหมเติ่มไหม ดีใจมากเลยนะทั้งๆที่จริงๆมันฝืนต่อต่อต่อนะไรเนี่ยต่อปฏิปทาให้ถึงอสังขตะว่างั้นเนะี่ยนั้นก็เราคิดได้เลยนะมองรวมๆคิดรวมๆแล้วเราคิดตรงกันข้ามกับข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนซะส่วนใหญ่เลยเรียกว่าพองตรัดภาษาตรงๆว่ามิฉาปฏิปทานั่นเป็นข้อปฏิบัติที่ผิด เพราะถือว่าสังขารเที่ยงสังขารเป็นสุขสังขารวางงามสังขารว่ายั่งยืนการตามเห็นแบบนี้เป็นปฏิปทาที่ตรงกันข้ามกับพะนิพาณหมดเลย